<c oughs> จเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเรื่องใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันสุขที่17มกราคมพุทธศัการาช2546ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน2ปีมะแมเป็นวันพระ เป็นวันรรมัสกรนาเป็นวันฟังธรรมการที่พวกเราทั้งหลายมีความศรัทธา ม, มีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นเพราะว่าเรายังเป็นผู้ที่มีความรู้น้อยเป็นผู้ที่ยังไม่มีความสามารถที่จะรู้ ได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอริยะสงสาวโลกทั้งหลายเนื่องจากว่าพวกเรายังเป็นปุถุชนคนธรรมดาสามัญยังเป็นผู้ไม่มีดวงตาเห็นธรรมยังมืดบอดด้วยโมหะความหลงอวิชชาความไม่รู้จริงเราจรึงไม่สามารถเห็นในสิ่งต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายทรงรู้ทรงเห็นได้ถ้าเปรียบเทียบระหว่างท่านกับพวกเราท่านก็เปรียบเหมือนกับคนตาดีคนตาสวา่างส่วนพวกเรานั้นก็เปรียบเหมือนกับคนตาบอดตามืดไม่สามารถเห็นในสิ่งที่เหนือความสามารถของตาเนื้อที่จะเห็นได้ ตาเนื้อเห็นได้แต่เฉพาะรูปคือพวก ส, สีแสงต่างๆแต่สิ่งที่ละเอียดกว่าตาเนื้อนั้นเป็นสิ่งที่พวกเรายังไม่ได้สร้างตาในคือดวงตาแห่งธรรมขึ้นมาเพื่อที่จะรู้เห็นสิ่งที่ละเอียดกว่าสิ่งที่ตาเนื้อจะเห็นได้นั่นก็คือ จิตใจของพวกเราเองพวกเรามีจิตใจอยู่กับตัวเราตลอดเวลาแต่พวกเราหารู้จักจิตใจของเราไม่เพราะเราไม่เคยเห็นจิตใจของพวกเราสิ่งที่เราเห็นก็เพียงแต่ร่างกายของเราและสิ่งต่างๆรอบตัวเราแต่สิ่งที่มีอยู่ในในในตัวของเราที่เรียกว่าจิตใจเรากับมองไม่เห็นกัน นั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่เคยสร้างปัญญาหรือสร้างดวงตาแห่งธรรมเพื่อที่จะได้เห็นจิตใจของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงไม่รู้เรื่องของจิตใจของเราว่าเป็นอย่างไร ท, งทั้งที่จิตใจของเราเป็นตัวการสำคัญในการ ดำเนินชีวิตของเราว่าชีวิตของเรานั้นจะเป็นไปได้ด้วยความสุขความเจริญหรือด้วยความทุกข์ด้วยความเสื่อมเสียก็ล้วนที่ล้วนเกิดจากการกระทมของจิตใจของเราแต่เราไม่รู้ว่าจิตใจของเราเป็นอย่างไรและจะควบคุมจิตใจของเราให้ดำเนินไปในวิธีทางที่ถูกต้องดีงาม ได้อย่างไรเราจรึงต้องเพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นผู้นำทางเป็นผู้สั่งสอนให้พวกเราได้นำเนินชีวิตไปในทางที่ดีที่งามที่นำมาซึ่งความสุขและความเจริญต่อไปดังนั้นสิ่งสำคัญในอันดับแรกของพวกเราก็คือ ความเชื่อหรือศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วนำมาสั่งสอนให้กับพวกเราปฏิบัติตามถ้าพวกเราปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วต่อไปเราก็จะเริ่มเห็นเราก็จะเริ่มรู้อย่างที่พระพุทธเจ้า และพระอริยสงสาวุกทั้งหลายทรงรู้ทรงเห็นกันเมื่อเรารู้เห็นอย่างที่ท่านได้รู้เห็นแล้วเราก็จะนำเนินชีวิตของเราไปในทางที่ถูกต้องดีงาม น, นำมาซึ่งความสุขและความเจริญโดยถ่ายเดียว <c oughs> ดังนั้นการเชื่อในในพระพุทธประสงค์พระธรรมพระสงค์ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในเบื้องต้นสำหรับปุถุชนอย่างพวกเราทั้งหลายผู้ที่ยังมีความมืดบอดอยู่เราต้องอาศัยผู้ที่มีมีดวงตาเห็นธรรมคือมีเป็นผู้ตาดีเป็นผู้พาเราไปเหมือนกับคนตาบอดเวลาจะไปไหนก็ต้องอาศัยคนตาดี เป็นคนพาไปถ้าเรามีผู้นำที่เป็นคนตาดีพาไปแล้วเราย่อมไปสู่ที่ดีได้แต่ถ้าเราปฏิเสธเราไม่เชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายสั่งสอนเราก็ต้องพึ่งตัวเราเองและการพึ่งตัวเราเองนั้นก็ต้องพึ่งไปแบบ ผิดผิดถูกถูกเพราะว่าเรายัางไม่สามารถเห็นสิ่งต่างๆที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวของเราได้ <c oughs> เมื่อเป็นเช่นนั้นชีวิตของเราก็จะต้องเป็นไปด้วยความยากเย็นด้วยความลำบากโอกาสที่จะประสบกับความสุขความเจริญอย่างแท้จริงนั้นจะเป็นไปได้ยาก เพราะว่าใจของเรานั้นถูกอิทธิพลของความหลงความมืดบอดครอบงำแล้วก็จะหลอกให้เราไปทำในสิ่งที่เป็นโทษกับเราแทนที่จะพาเราไปสู่การกระทำที่เป็นคุณและเป็นประโยชน์กับเราเพราะว่าสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้า และพระอริยสงสาวกทรงรู้ทรงเห็นนั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดมากกว่าที่เราจะรู้ได้เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราศึกษาและปฏิบัติจากพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวกทั้งหลาย <c oughs> นำในสิ่งที่ท่านสอนมา <c oughs> มาปฏิบัติกับเราแล้วเราก็จะเริ่มรู้เริ่มเห็นตามท่าน สิ่งที่ท่านสอนให้เราปฏิบัติก็คือการเจริญจิตภาวนาคือการสร้างปัญญาสร้างความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของจิตใจของเราถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราจะไม่รู้จักใจของเราเลยเพราะว่าเราตลอดเวลา เราจะมองไปสิ่งภายนอกคือเราจะมองที่ร่างกายของเราและจะมองในสิ่งต่างๆรอบตัวเราแต่เราไม่เคยมองเข้ามาในใจของเราเลยเพราะใจของเพราะเราไม่เคยปฏิบัติธรรมนั่นเองเราจึงมองไปเพียงด้านเดียวส่วนอีกด้านหนึ่งของตัวเราคือใจของเรานั้นเราไม่ได้มองกัน แล้วเมื่อถ้าเราได้มาปฏิบัติธรรมคือได้เจริญจิตภาวนามีการเจริญสมาธิและเจริญปัญญาแล้วเราก็จะเริ่มเห็นจิตของเราการเจริญสมาธินี้ในเบื้องต้นก็เพื่อทำจิตให้สงบทำให้จิตหยุดนิ่งจากความคิดปรุงต่างๆเพราะในขณะที่จิตคิดปรุงนั้นจิตก็จะมีอารมณ์ต่างๆ ขึ้นมาในใจทําให้ใจของเรานั้นไม่เห็นสภาพที่แท้จริงของใจเราว่าเป็นอย่างไรแต่จะเห็นอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจเช่นอารมณ์โรคอารมณ์โกรธอารมณ์อยากต่างๆอารมณ์หลงเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในใจของเราตลอดเวลาจนกระทั่งเราไม่รู้จักใจของเราว่าเป็นอย่างไร แต่ถ้าเรามาทำจิตของเราให้สงบด้วยวิธีการอุบายแห่งสมาธิจะเป็นวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่ามีวิธีที่จะทำจิตให้สงบทั้งถึงสี่สิบวิธีด้วยกันเรียกว่ากรรมฐาน40สแต่ในวงการาศาสนาเราที่เราใช้กันอยู่ส่วนใหญ่ก็มีอยู่สองสามวิธีด้วยกัน วิธีแรกที่เป็นวิธีพื้นฐานในเบื้องต้นก็คือวิธีสวดมนต์การสวดมนต์ก็เป็นการควบคุมใจของเราไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆที่จะทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเพราะการสวดมนต์นี้จะทำจิตของเราให้สงบได้จะสวดมนต์บทใดบทหนึ่งหรือหลายหลาบทก็ได้สุดแท้แต่ความช า, านาญ ถ้าเรารู้จักบทสวดมนต์เยอะเราต้องการที่จะสวดมากน้อยเพียงไร <c oughs> เราก็สามารถสวดได้ตามความต้องการของเราแต่ข้อสําคัญในขณะที่เราสวด น, นั้นใจของเราจะต้องอยู่กับการสวดมนต์เพียงอย่างเดียวคือใจของเราจะต้องไม่เล็ดรอดออกไปคิดเรื่องราวต่างๆเพราะถ้าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆ พร้อมกับสวดมนต์ไปพร้อมๆกันใจของเราก็จะไม่เป็นหนึ่งเมื่อใจไม่เป็นหนึ่งใจก็จะไม่นิ่งใจก็จะไม่สงบ ก, ก็ยังเปลียนก็ยังเหมือนกับว่าไม่ได้ทำสมาธินั่นเองเพราะใจของเราไม่ได้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เราได้กำหนดไว้ในกรณีในกรณีนี้ก็คือให้อยู่กับบทสวดมนต์ แต่ถ้าเราสามารถควบคุมใจด้วยสติสติคือการเราเลึกรู้ให้เราเลืกรู้อยู่กับการสวดมนต์อยู่กับบทสวดมนต์ไปเรื่อยๆแล้วจิตของเราเมื่อไม่มีโอกาสที่จะแวบออกไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เกิดอารมณ์ที่ทำให้เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาใจก็จะค่อยๆสงบลง แล้วในที่สุดก็จะมีความรู้สึกว่าอยากจะหยุดสวดมนต์ในตอนนั้นเราก็จะหยุดสวดมนตไปก็ได้แล้วสังเกตดูว่าหลังจากที่เราได้หยุดสวดมนต์ไปแล้วใจของเราอยู่นิ่งเฉยๆอยู่ในปัจจุบันหรือไม่หรือเริ่มที่จะไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้ารู้สึกว่าใจอยู่นิ่งก็ให้รู้อยู่กับความนิ่งนั้น ในขณะที่ใจสงบนั้นจะมีความรู้อยู่ตามลมพังรู้แต่ไม่ได้รู้กับอะไรรู้ว่าขณะนี้ใจมีความเย็นใจมีความสบายใจมีความอิ่มใจมีความพอไม่มีความหิวไม่มีความอยากที่จะไปคิดถึงเรื่องอะไรทั้งสิน้น <c oughs> ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ปล่อยให้ใจนิ่งไปอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆ เมื่อเจตนิ่งลงแล้วเราก็จะเริ่มเห็นธรรมชาติของใจธรรมชาติที่ไม่มีอารมณ์มามาครอบมาว่าเป็นอย่างไรเราจะเริ่มรู้แล้วว่านี่แหละคือใจของเราและนี่แหละคือตัวสตัวการสำคัญที่สร้างความสุขหรือความทุกข์ให้กับเราขณะที่ใจพักอยู่ในสมาธิหยุดคิด ต่างๆเรื่องราวต่างๆในขณะนั้นโลกนี้เหมือนกับว่าไม่มีเลยเรื่องราวต่างๆที่เราเคยไปเกี่ยวข้องด้วยภายนอกไม่ว่าจะเป็นกิจการงานการงานต่างๆหรือบุคคลต่างๆนั้นจะไม่มีภายในจิตใจของเราเลยเมื่อไม่มีเรื่องราวเหล่านั้นอยู่ในใจของเราอารมณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านั้นก็ไม่มีความกังวลความห่วงใย ความความดีใจความเสียใจอะไรทั้งสิ้นก็จะไม่มีในใจแ ต, แต่มีแต่สภาพความนิ่งสงบซึ่งเป็นความสุขแบบหนึ่งเป็นธรรมชาติที่มีอยู่กับใจในขณะที่ใจอยู่ในความสงบนิ่งแล้วเราจะเริ่มเห็นว่าความสุขของเราก็ดีความทุกข์ของเราก็ดีนั้นก็ล้วนเกิดขึ้นจากใจของเรา นั่นเองเวลาใจของเราออกจากสมาธิแล้วเริ่มออกไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆภายนอกสิ่งที่เห็นด้วยตาสัมผัสได้ยินด้ว ย, ดวยได้ยินด้วยหูนมด้วยนมด้วยจมูกเลิ้มลอดด้วยลิ้นหรือสัมผัสด้วยร่างกาย <c oughs> ก็จะ <c oughs> ก็จะเกิดเวทนาต่างๆขึ้นมา <c oughs> เวลาละใจเห็นสิ่งที่ ชอบได้ยินสิ่งที่ชอบสัมผัสดมกลิ่นที่ชอบลิ้มรสที่ชอบหรือสัมผัสสิ่งสิ่งที่ชอบก็จะเกิดสุขเวทนาขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อสัมผัสนั้นผ่านไปสุขเวทนานั้นก็ดับไปเช่นเดียวกับสัมผัสที่ไม่ชอบคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑ์ที่ไม่ชอบก็จะเกิดทุกเวทนาขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมา เมื่อสัมผัสนั้นได้ผ่านไปแล้วเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นก็ดับไปนี่เป็นลักษณะของสิ่งที่ใจจะไปสัมผัสแต่ถ้าใจไม่รู้จักวิธีที่จะจัดการหรือปฏิบัติกับสิ่งเหล่านั้นแล้วถ้ายังมีความหลงโมหะและเอาวิชาความไม่รู้อยู่ในใจ ก็จะหลงติดอยู่กับสิ่งที่ได้มาสัมผัสคือสิ่งใดที่เมื่อได้สัมผัสแล้วถูกอกถูกใจก็จะเกิดตัณหาความอยากเกิดความโลภที่อยากจะครอบครองหรืออยากจะให้สิ่งนั้นๆอยู่กับตนไปนานๆและในทางตรงขันข้ามถ้าได้สัมผัส กับสิ่งที่ไม่ชอบไม่ถูกใจก็จะอยากจะให้สิ่งนั้นๆหายไปให้พ้นไปให้หมดไปทั้งๆที่ไม่ยอมหรือไม่รู้จักของธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้ว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้สิ่งต่างๆเหล่านี้คือรูปเสียงกลิ่นรสผดทปะทั้งหลายที่มาสัมผัส กับตาหูจมวกิ่นกายของเราเราส่งเข้ามาสู่ที่ใจเรา <c oughs> นั้นว่าเป็นอย่างไรเราจึงต้องอาศัยผู้รู้อย่างพระพิจ้ามาสอนมาบอกเราว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คือรูปเสียงกิ่นรสผลิตภนั้นล้วนมีธรรมชาติที่ประกอบขึ้นอยู่สามสามลักษณะด้วยกันเรียกว่า ใจรักคือเราสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นของไม่เที่ยงคือไม่เป็นสิ่งที่ถาวร น, นิ่งอยู่เฉยและคงเส้นคงวาเหมือนเดิมไปตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการไปและมีการมาเป็นปกติของเขาประการที่สองเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความควบคุมของผู้หนึ่งผู้ใด เพราะสิ่งเหล่านี้มีการเกิดขึ้นและดับไปด้วยเหตุปัจจัยถ้ามีเหตุทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมาและเมื่อสิ่งเหนั้นเมื่อเหตุของสิ่งนั้นดับไปเหตุนั้นก็ดับสิ่งนั้นก็ดับไปเช่นยกตัวอย่างเวลาคนตีกลองก็จะมีเสียงดังขึ้นมาเสียงดังที่เกิดขึ้นมานี้ก็เกิดจาก คนที่ตีกลองทําให้เสียงนั้นเกิดขึ้นมาเมื่อคนตีกลองหยุดตีเสียงกลองนั้นก็จะหายไปหรือว่าเวลาลมพัดก็ทําให้เกิดเสียงขึ้นมาเวลาลมไปพัดให้ใบไม้ต้นไม้มีการเคลื่อนไหวก็มีเสียงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของต้นไม้เมื่อลมหยุดพัดเสียงเหล่านั้นก็จะ หายไปแล้วก็ไม่มีใครที่จะไปสามารถควบคุมบังคับลมให้พัดหรือไม่ให้พัดได้เพราะลมก็มีเหตุปัจจัยอีกส่วนหนึ่งที่ไปทำให้ลมดันพัดหรือทำให้ลมนั้นหยุดพัดหน้าที่ของเราที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่การไปควบคุมสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของเรา เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วชีวิตของเราก็จะมีแต่ความวุ่นวายเพราะเราจะไม่มีความสามารถที่จะไปควบคุมไปบังคับสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ดังนั้นหน้าที่ของเราที่แท้จริงพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าไม่ได้อยู่การบังคับสิ่งต่างๆภายนอกแต่ให้มาบังคับใจเราแทน พราใจเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราบังคับได้คือเราควรที่จะมาบังคับความอยากต่างๆของเราซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อความสุขของเราเลยแต่เพราะความหลงของเราทำให้เราหลงเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าถ้าเรามีความอยากแล้วความอยากนี้จะนำมาซึ่งความสุขให้กับเรานั่นเองแต่แทนที่เราจะพบกับความสุข เรากลจะพบกับความทุกข์กับความวุ่นวายไปตลอดชีวิตเพราะสิ่งที่เราอยากนั้นมันอยู่เหนือวิสัยในการควบคุมดูแลของเราไปได้ตลอดเวลาเราอาจจะควบคุมดูแลบังคับสิ่งที่เราอยากเราชอบให้อยู่กับเราได้ไปบางครั้งบางเวลาหรือช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่เราจะไม่สามารถควบคุมบังคับ ให้สิ่งที่เราอยากเราชอบนั้นเป็นไปอยู่กับเราไปได้ตลอดเวลาเพราะมันฝืนธรรมชาติความเป็นจริงถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วแล้วเราสามารถควบคุมความอยากของใจของเราได้ไม่ว่าจะอยากในทางบวกหรือในทางลบก็ตามเช่นเวลาเราสัมผัสกับสิ่งที่ถูก อ, อกถูกใจเราแล้วเกิดสุขเวทนา เราก็ควรจะหักข้ามใจเราว่ามันเป็นของชั่วคราวชั่วขณะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่ต้องไปยินดีเพราะเวลาเราเกิดความยินดีแล้วเวลาสุขเวทนานั้นผ่านไปใจของเราก็จะเกิดความเสียดายเกิดความอะไรอววรขึ้นมาในทางในทางตรงกันข้ามเวลาเราสัมผัสกับทุกเวทนาก็ขอให้เราทำความก็อใจว่า มันก็เป็นของชั่วคราวเช่นกันมาแล้วเดี๋ยวก็ไปเราไม่ต้องไปรำเกยียจเราไม่ต้องไปผลักใสยเขาเราเพียงแต่ทำใจของเราให้นิ่งๆไม่ต้องไปมีความไม่อยากกับสิ่งเหล่านั้นใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนใจของเราก็จะไม่ทุกข์แล้วไม่ช้าก็เร็ว <c oughs> สิ่งนั้นที่เราไม่เช่ามันก็จะมันก็จะผ่านไปถ้าเราสามารถ นำวิธีนี้มาปฏิบัติกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสัมผัสในแต่ละวันแล้วใจของเราจะมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขไม่มีความว้าวุ่นขุ่นวัวไม่มีความกังวลอะไรทั้งสิน้นถึงแม้จะเสียอะไรไปมากมายเพียงไรก็จะไม่ทุกข์กับการเสียไปถึงแม้จะได้มากับอะไรมากมาย ก็จะไม่ทุกข์กับการที่จะต้องคอยกังวลห่วงดูแลรักษาคนเราเวลาเราได้อะไรมาที่เราชอบเราก็อยากจะให้ได้สิ่งนั้นไปอยู่กับเราไปนา น, านๆเช่นถ้าเราสมัครเป็นผู้แทนราษฎรเราได้เป็นสะสะหรือเราได้เป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีเราก็อยากที่จะรักษาตำแหน่งสส รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีไปงานนานเราก็ต้องวุ่นวายพยายามสร้างสร้างสร้างผล <c oughs> ง, งานขึ้นมา <c oughs> แล้วเมื่อถึงเวลาเลือกตั้งเราก็ต้องมาวุ่นวายกับการหาเสียงแล้วก็ต้องมาวุ่นวายกับความผงายว่าจะได้รับเลือกหรือไม่มีแต่ความทุกข์ทั้งสิ้นเลยนี่ก็เป็นเพราะว่าเรา ไม่เคยได้ยินได้ฟังวิธีที่วิธีที่ที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราถ้าเราได้ยินได้ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วชีวิตของเราจะไม่วุ่นวายเราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดตามกำลังแห่งสติปัญญาวิริยะความขยันหมั่นเพียรของเราด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แล้วเมื่อผลตอบแทนที่เราจะได้นั้นมากน้อยเพียงไรเราก็ยินดีกับผลที่เราได้มากน้อยเพียงนั้นเท่านี้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขแล้วเพราะความต้องการของชีวิตเรานั้นมันไม่มากเลยถ้าพูดถึงเรื่องเงินทองหรือข้าวของนี้คนเราชีวิตของเรานั้นมีความจำเป็นก็เพียงแค่ปัจจัยสีเท่านั้นเอง คืออาหารเครื่อนหนึ่งหงที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคซึ่งเราทุกคนนี่ก็มีพร้อมกันอยู่แล้วทุกๆคนแต่ใจของเรายังไม่มีความสุขนั่นก็เป็นเพราะว่าเรายังไม่รู้จักวิธีจัดการหรือควบคุมดูแลใจของเราให้สร้างความสุขให้กับเราเรากลับปล่อยให้ใจถูกกำนาจของความหลงของความอยาก นั้นสร้างความวุ่นวายสร้างความทุกข์สร้างความหิวสร้างความกระหายให้กับใจของเราไม่รู้จักจบจากสิน้นด้วยการทําตามความอยากนั่นเองยิ่งเราอยากมากเท่าไหร่ความอยากนี้ก็จะเพิ่มกําลังมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดวิธีที่จะทําให้ความอยากนั้นหมดไปนั้นจะต้องเป็นวิธีทางตรงกันข้าม คือทุกครั้งที่เรามีความอยากเราต้องนิ่งเฉยเราอย่าไปสนองความอยากใช้ธรรมะก็คือการปฏิบัติจิตภาวานาการทำสมาธิและการเจริญปัญญาสองอย่างนี้จะเป็นเครื่องมือที่จะสามารถทำให้เราชนะความอยากได้เพราะเวลาเราทำสมาธิแล้วจิตนิ่งสงบความอยากก็ไม่สามารถทำงานได้ แล้วในขณะที่จิตนิ่งแล้วความอยากไม่ได้ทำงานก็จะทำให้จิตมีความอิ่มมีความพอเพราะความหิวไม่ปรากฏในขณะนั้นความหิวก็คือความอยากนั่นเองแต่ความอยากนี้จะโผล่ขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าในขณะนั้นกำลังของสมาธิควบคุมความอยากไว้ไม่ให้เกิดขึ้นแล้วเมื่อไม่มีความอยากในใจก็เลยมีความอิ่มขึ้นมาแทนที่นะแต่ สมาธินี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ไม่ไม่ถาวรเราไม่สามารถทำจิตให้มีสมาธิอยู่ได้ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงไม่ช้าก็เร็วกาลังของสมาธิก็จะอ่อนจิตก็จะเริ่มคิดเมื่อจิตเริ่มคิดจิตก็จะมีความอยากดังนั้นเราจึงต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องมือชิ้นที่สองไว้ทาลายความอยากถ้าเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปอยากนั้น เป็นไตรลักษคือเป็นของไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เราไม่ควบไม่สามารถควบคุมบังคับได้เป็นสิ่งที่ไม่ได้ให้ความสุขกับเราที่แท้จริงแต่เป็นสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราถ้าเราเห็นด้วยปัญญาแล้วเราก็จะไม่กล้าที่จะไปอยาดกับสิ่งนั้นๆเช่นเหมือนพวกเราที่ไม่ได้ติดยาเสพติดกันพวกเราก็เห็นด้วยปัญญาแล้วว่ายาเสพติดนี้ไม่ใช่เป็นความสุข ยาเสพติดนี้เป็นโทษยาเสพติดนี้เป็นของไม่เที่ยงคือมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดเราไปซื้อยาเสพติดมาได้จำนวนหนึ่งเมื่อเราเสพหมดไปยานั้นก็หมดไปเราก็ต้องไปหายามาใหม่แล้วยาเสพติดนี้เราก็ไปบังคับไม่ได้ว่าเราจะได้มาเมื่อไรและจะมีใช้เสพไปได้ตลอดเวลาหรือไม่ไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเราก็จะไม่ได้เสพ เช่นคนที่เสพแล้วถูกตำรวจจับถูกจับเข้าคุกเข้าตำลังตอนนั้นก็ไม่ได้เสพยาเสพติดแล้วเมื่อเวลาไม่ได้เสพยาเสพติดเป็นยังไงก็ต้องทุกขทรมานอย่างยิ่งนี่ก็คือลักษณะเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้แสดงไว้คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะต่างๆที่มาในรูปแบบในรูปของบุคคลหรือวัตถุข้าวของต่างๆก็ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกัน เมื่อเราเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่กล้าไปอยากไปมีกับสิ่งเหล่านี้เพราะโดยความเป็นจริงแล้วใจไม่มีความจำเป็นกับสิ่งเหล่านี้เลยไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ได้และมีความสุขยิ่งกว่าเองเพราะหลุดพ้นจากการเป็นทาตของสิ่งเหล่านี้นั่นเองเหมือนกับการหลุดพ้นจากการเป็นโทษของเป็นทาตของยาเสพติด พระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายนั้น <c oughs> ท่านก็เป็นเหมือนเราเมื่อก่อนนี้ท่านกรติดสิ่งเหล่านี้ท่านติดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพภะ <c oughs> แต่ท่านเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มีปัญญารู้จักแยกแยะว่าอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์อย่างแท้จริงท่านใช้ปัญญาวิเคราะห์แล้วท่านก็ทรงเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพะทั้งหลาย ที่สัมผัสที่เราสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายนี้ร่วนเป็นทุกข์ทั้งสิน้นเพราะเป็นอนิจจังเป็นอนัตตานั่นเองจึงต้องปล่อยวางจะต้องจึงต้องฝืนจึงต้องสู้กับความอยากที่จะไปอยากกับสิ่งเหล่านี้ด้วยการปฏิบัติธรรมนั่นเองจึงต้องเข้าวัดหาที่สงบ ห, หาสถานที่สงบให้ห่างไกล จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะที่เป็นเครื่องร่อใจยัวย่วยั่วยั่วยัใจให้เกิดอารมณ์อยากาเวลามาอยู่วัดเขาก็มีกฎมีระเบียบเช่นไม่ให้เราฟังวิทยุดูโทรทัศน์ไม่มีการร้องลำมทำเพลงดูหนังดูละครให้เข้าโบสถ์ไหว้พระสวดมนต์ซึ่งเป็นการทําจิตให้สงบนั่นเองทาจิตให้สงบทาจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็ พิจารณารมต่างๆอยู่เรื่อยๆมองอะไรก็บอกคอยส ก, กิดตัวเองเสมอว่ามันเป็นของไม่เที่ยงนะมันไม่ใช่เป็นความสุขหรอกเราได้อะไรมาแล้วก็สุขชั่วประเดียวประดาวแล้วเดียวมันก็ผ่านไปได้อะไรมาก็ดีใจแล้วก็ผ่านไปแล้วก็อยากจะมีใหม่เพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยๆไม่มีจักจบจักสิ้นนี่คือธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าเราใช้เวลาที่เรามีอยู่นี้คอยสอนใจเราอยู่เสมอแล้วใจของเราก็จะเริ่มฉลาด